วันนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากนะผมพูดจบแล้วก็คงจะเปิด MP3 ธรรมเทศนาขององค์หลวงตาให้พวกเราได้ฟังนะเพราะผมพูดมาก็หลายวันอยากจะให้หมู่เพื่อนฟังได้ศึกษาในธรรมเทศนาขององค์หลวงตาด้วยวันนี้ก็เป็นวันฟังธรรมหรือเป็นวันอบรมตามปกติแต่คนก่อนที่ไม่มีนักศึกษามานะ ผมก็อบรมเฉพาะวันพระ8 15, 15, ค่ำ15าค่ำเท่านั้นที่ศาลาแห่งนี้เบ้นเสียแต่จะมีเป็นบางครั้งที่จะต้องทำความเข้าใจในหมู่ในคณะบางทีก็เห็นบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมจะมีการประชุมกันหรือว่าเป็นช่วงที่ว่างไม่มีอะไรผมก็จะบอกในมนพระมาประชุมกันที่ศาลา เป็นบางครั้งบางการแต่ตามปกติจริงๆไม่เคยขาดก็คือ8ค่15ข15คสิาไม่เคยขาดแต่สำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงที่พระนิสิตนักศึกษาเข้ามาบวชเป็นเวลาเดือนกว่าๆผมก็ได้ลงมาประชุมกันเพื่อไม่ให้เสียได้การได้ยินได้ฟังเพราะว่าถ้าว่าเดือนหนึ่งหรือว่า อาทิตย์หนึ่งจะมีการประชุมอย่างวันพระ8 5, 5, คำ่ำสิบ้าค่ำก็จะใช้เวลาในการอบรมเพียงเดือนหนึ่งสครั้งท่านันเองเพราะว่าพวกเราที่เข้ามาศึกษาก็ควรจะได้ยินได้ฟังแนวความคิดของสำนักที่พวกเราเข้ามาศึกษาวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ได้ลงมาอบรมแนะนำการแนะนำอย่างผมพูดม่อเช้า คืออยากจะให้หมูนิสิตพระใหม่ทั้งหลายทั้งอกทั้งใจภาวนาปฏิบัติตามแนวแถวสายขององค์หลวงปู่มั่นอันนี้คือไม่ไม่ใช่ผมห่วงไม่ใช่ผมห้ามไม่ใช่ผมกีดกันสําหรับหมู่พวกเพื่อนถ้าหากว่าพูดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับผมใจแคบเจ้าสํานักหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ใจแคบแต่ตามจริงผมไม่ได้ใจแคบ ผมกว้างขวางคือหลวงปู่มั่นก็ดีพระอาจารย์องค์อื่นๆก็ดีแต่ก็นำทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันมาแนะนำสั่งสอนแต่่าจับคนละเหลี่ยมกัน อ, อจับคนละเหลี่ยมกันคนหนึ่งจับเปียมหนึ่งคนหนึ่งจับเปียมหนึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่เหมือนกับช้างตัวหนึ่งถ้าจะผมจะเปรียบเทียบ ว, ว่าตาบอดคลำช้าง ชักจะเกินไปคือท่านผู้รู้ผู้ฉลาดจริงๆท่านก็รู้ได้เห็นได้ทางว่าผู้ที่ไม่รู้ก็ลักษณะตาบอดคำช้างลักษณะอย่างนั้นน่ะคือหลักของพุทธศาสนาเหมือนกับช้างแต่คนที่เข้าไปจับนะ่ะเหมือนตาบอดถ้าไปจับหางก็มาอธิบายเรื่องหางว่าช้างนี่เหมือนกับไม้กวาดคือไม่ได้เห็นทั้งตัวถ้าคนหนึ่งไปจับขาก็บอกช้าง มันเหมือนกับต้นเสาเนี่ยคนหนึ่งไปจับสีข้างมันก็จะบอกว่าช้างเหมือนกับฝาบ้านถ้าคนไปจับหูมันช้างเหมือนกับกระรองอย่างนี้เป็นตน้นเพราะเหตุไรเพราะต่างคนก็ต่างจับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะให้คนหนึ่งจับหูคนหนึ่งจับหางคนหนึ่งจับฝาสีข้างมันผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นถึงยังไงก็ตามช้างก็คือช้างหลักของพุทธศาสนาคือพุทธศาสนา ผมไม่ได้ว่าอันนี้ถูกต้องดีที่สุดแน่ที่สุดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นอันนี้เพื่อให้พวกเราเข้าใจที่ผมแนะนําั่นก็คือแนะนําตามหลักสติปฐานสี่ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้สติปฐานสี่ถ้าว่าเราศึกษาให้ถ่องแท้แล้วเข้าถึงลึกแล้วจะไม่มีอะไรเถียงกันถ้าจะยกหนอพองหนอยกหนอพองหนอเอาอะไรยกเอาขายก ถ้าข้ายกก็คือกายานุปัจนาสติปัฏฐานถ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกก็คือลมคือใครลมก็คือกายอันนี้ก็คือกายานุปัจนาสติปัฏฐานถ้าว่าเราขยับตัวให้มีความรู้สึกในการขยับตัวอันนี้ของเวทนานุปัจนาสติปัฏฐานถ้าฮวาอาศัยสิ่งที่มากระทบะใจที่นึกคิดรู้ที่ว่าใจนึกคิดเรื่องอะไร อันนี้ว่าจิตต า, า, านุปัจนาสติปัฐานถ้าว่าสิ่งที่มากระทบสมมติว่าเหมือนกับน้ําไหลตกลงจากชายคาอย่างนี้แหละตกมาสู่น้ําข้างล่างชายคาตกลงมาสู่นะ้ำตกจมมันฟองตับ๊บแตกอันนี้น่ะว่าทำมานุปัจนาจติปัฐานทำมารมณ์ที่มากระทบใจแล้วเราจะเอามุมไหนมาพูดเท่นี่เราจะเอามุมทำมานุปัจนาสติปฐานหรือจะเอามุม จิตตานุปัสนานสติปัฏฐานหรือเราจะเอามุมเวทนาหนุปัสนานสติปัฏฐานหรือเราจะเอากายานุปัสนานสติปัฏฐานสรุปแล้วมันคืออยู่ในในวงสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าง ง, งอย่าไปตีความหมายผิดครูบาอาจารย์องค์ใดท่านใดก็ตามจะพูดในวงการสติปัฏฐาน4นี้เท่านั้นที่การปฏิบัติเพราะนั้นที่ผมว่า ให้พวกเราทั้งหลายอย่าไปยึดตามแนวแถวครูบาอาจารย์องค์อื่นให้วางไว้ก่อนให้เก็บไว้ก่อนให้พวกเรานำปฏิปทาสายองค์หลวงปู่มั่นที่ผมแนะนำนำมาประพุทธปฏิบัติในขณะที่อยู่สํานักผมแห่งนี้ให้เอาไว้ก่อนที่เราได้ศึกษามาอย่างอื่นเอาสติอยู่กับตัวเองให้สติอยู่กับการเคลื่อนไหวของตนเองหายใจเข้า บริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทหรือเราจะบริกรรมทุกลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโทพุทธโทหรือว่าขณะจิตที่คิดขณะจิตที่มันคิดอยู่ในใจเราเอาความรู้ที่ว่าเรารู้ความนึกคิดเน่ยเข้าไปสำทับที่ใจของเราขณะที่จิตตัวใจขณะที่มันคิดเราจะบริกรรมว่าพุทโทพุทโทพุทโทพุทธโทคือไม่ให้มันมีช่องว่างเลยในใจของเรา ให้พุทโธให้ถี่เย็บในใจของเราไม่ให้มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างมันทําให้ใจของเราเล็ดรอดออกไปไปคิดในเรื่องอื่นได้เพราะฉะนั้นเราบริกรรมให้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในจิตแต่ไม่ต้องออกเสียงนะคือให้ใจบริกรรมให้ใจพุทโธให้ใจนึกคิดถึงพุทโธอย่างเดียวไม่ให้เป็นไปอย่างอื่นอันนี้ก็คือพยายามทําจิตให้สงบได้ในอีกแบบหนึ่ง คือสรุปแล้วก็คือการภาวนานี่มีหลายวิธีมีหลายแบบที่จะทําจิตให้สงบได้คือกรรมฐานสรุปแล้วคือคือแมวแมวที่จะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ให้จับหนูได้แปลว่าใช้ได้อันนี้กรรมฐานก็เหมือนกันกรรมฐานพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวา น, านะุสติพรณะนุสติอานาปานสติอย่างเนี้ยเรียกว่าอนุสติ10 หรกะสินสิบอย่างนี้ที่เราศึกษาดูก็เพื่อทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งจะ ก, กรรมฐานไหนก็ได้ใน40กรรมฐานน่ะไม่ใช่บริกรรมพร้อมกันทั้ง40กรรมฐานไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพอนั่งเข้าไปนะ่ะพุทธานุสติธรรมานะุสติสังขานะุสติศีลานุสติจารานะุสติาานะเทวตาเลยไม่ใช่อย่างนั้นอ่ากแค่บอาพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าจะบอกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้ ได้จะเอาทำโมมาบริการคนใดทโมทำโมทำโมกันเลยจะว่าสังโคสังโคสังโคกันเลยเหรือเรามีมากกว่านั้นเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณประโยชน์ต่อโลกอย่างไรมีคุณต่อตัวของเราอย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่แนะนําสั่งสอนพวกเราก็ไม่รู้พระคุณของท่านพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณยิ่งสําหรับเราแนะนําสั่งสอนเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม แก่เราถ้าเราได้ศึกษาแล้วมีตะคุณงามความดีทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ออกมาแนะนําออกมาให้แก่พวกเราอันนี้คือพระคุณของพระพุทธเจา้าพระธรรมคือคือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเป็นพระธรรมอันยิ่งแนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรทําและไม่ควทรทําต้วนแต่เป็นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้า สินห้ิอุโบสถศินสองร้อี่สิบเจ็ื่องมากกว่านั้นการคลองชีพการดําเนินชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนผลปฏิบัติอย่างใดต่อบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์วัยวศคุณอาวุธล้วนแล้วแต่ประทำคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดั้งนั้นที่ท่านได้แนะนําแล้วก็พวกเราได้ปฏิบัติก็เป็นคุณประโยชน์จริงๆริ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าว่าไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้พวกเราพวกเราคงจะไม่รู้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่าหมาักน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้พระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งที่ได้นำพระธรรมคำสั่งสอนมาขยายผลให้พวกเราได้ยินได้ฟังและก็พวกเราได้ปฏิบัติก็ได้รับความสุขความเย็นใจ ในธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้คือสังขานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์จากนั้นก็ศีลานุสติและลึกถึงศีลของตนถ้าคนไม่มีศีลมีแต่ความเดือดร้อนบุญวายเพราะฉะนั้นผู้มีศีลศีลของพระพุทธเจ้าคือศีลห้าเพียงแต่ศีลห้าเท่านั้นโลกก็จะได้รับความสงบร่อมเย็นเป็นสุขเพราะว่าศีลห้าคุ้มครองไม่ทําให้โลกเดือดร้อนถ้าคนขาดศีลห้า จะไปในที่ใดก็าตามมีแต่ความระเวียงระวังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะคนขาดศีลมากนีอันนี้ก็คือระลึกถึงศีลเป็นข้อๆไปเออจนถึงมรณะนุสติระลึกถึงความตายออุปสมานุสติระลึกถึงกุญปัญิพานอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็คืออนุสติสิ่งที่ควรระลึกถึงเอามาบริกรรมก็ได้หรือวันน้อมนึกตามที่ มีพคุณอย่างไรที่เราได้ศึกษาก็ได้อันนี้คืออนุสจติ10กระสิน1ิก็คือการเพ่งดินน้ำลมไฟอากาศอันนี้เป็นต้นสีเขียวสีแดงสีขาวนีอันนี้ก็คือการเพ่งของกระสินแต่แนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านบอกว่าให้กำหนดอันใดอันหนึ่งให้กำหนดลมหายใจเข้าออกและวดูใจของตัวเองอย่าไปส่งออกไปข้างนอกถ้าส่งออกไปข้างนอก มันจะเห็นสิ่งภายนอกนิมิตมันจะเกิดขึ้นมาพอเห็นนิมิตขึ้นมาแล้วก็ดูไปตามนิมิตแล้วจะให้ลุ่มหลงในนิมิตได้ง่ายเพราะเรายังไม่เคยปรับพติปฏิบัติเพราะนั้นเราอย่าไปคิดส่งออกไปข้างนอกถ้าส่งออกไปข้างนอกแล้วมันจะเห็น เ, เห็นอะไรที่ไม่พึงปรารถนาก็มีเห็นอะไรเป็นที่พึงปรารถนาก็มีเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็มีต่อไปเห็นเปรเห็ น, นผีเห็นสิ่งไม่พึงปรารถนา เราก็กลัวขึ้นมาถึงอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นท่านเมื่อเห็นสิ่งใดก็ตามอย่าไปส่งจิตไปดูในสิ่งนั้นเมื่อเห็นแล้วก็ให้น้อมมาทา ง, ทางไตรลักษณ์ให้เห็นว่าอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิใช่ตัวตนของเราให้เห็นอย่างนั้นให้เห็นน้อม เ, ออเมื่อเห็นนิมิตอะไรก็ตามให้น้อมมาสู่ไตรลักษณ์ อันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ที่เข้ามาบวชในครั้งนี้ปฏิบัติตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่ผมได้กล่าวนะใ ห, ให้มีสติอยู่กับตัวเองเืินเดินนั่งนอนกําหนดลมหายใจเข้าขณะที่นั่งนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธให้มีสติเวลาเดินโยงกลม ให้มีสติในการก้าวเดินเอาเท่านี้ก่อนเวลาปัดกวาดก็ให้มีสติในการปัดกวาดในเมื่อนั่งอยู่ที่ใดก็ให้มีสติในการนั่งของเราขณะที่นั่งอยู่เดียวนี้ขณะที่นั่งฟังผมพูดอยู่ขณะนี้ให้มีสติอยู่กับตัวเองจะส่งคิตไปข้างนอกให้มีความรู้สึกอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ในสภาพเช่นไร ให้มีสติอยู่กับตัวเองอย่างตลอดเวลาอันเนี้ว่าสติคือความาระลึกได้สัมปัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละถ้าว่าพวกเราทําอย่างนี้ได้นะอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานที่จะนําจิตเข้าสู่ความสงบในขั้นต่อไปในเมื่อจิตของเราอยู่ในนิ่งอยู่ในความสงบแล้วจิตของเราไม่ส่งนอกแล้วนะจิตอยู่กับตัวเองจะตลอดไปลาเวลาแล้วนั่นหละจะหนึ่งจิตจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเพราะว่า จิตของเราไม่หิวโหยจิตของเราไม่คว้านุนคว้านี อ, อไม่ตะเกียกตะกายไม่สับสนวุ่นวายใจอยู่นิ่งเพราะตัดอารมณ์ภายนอกออกหมดมีแต่ใจเป็นหนึ่งพยายามใจเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเมื่อเป็นหนึ่งแล้วจิตเข้าสู่ความสงบพอสงบจิตนิ่งลงไปคราวนี้ว่าถ้ามันนิ่งไปตลอดดูเห็นรู้อยู่ตลอดอันนี้ว่าอุปจาระ แต่โดยมากมันจะเข้าไปแบบเสียดซัก่อนเสียดสิวซัก่อน เ, อเลือกเข้าไปในชั่วขณะหนึ่งจิตใจของเรารวมขณะหนึ่งจิตใจของเรารเไม่ส่งออกนอกนะจิตใจของเราจะเข้ามาหาตัวเองชั่วขณะหนึ่งอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตสงบช่วคู่ช่วระยะหนึ่งช่วขณะหนึ่งอันนี้ว่กคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิคือจิตรวม จิตไม่ปรุงไม่ฟุง้งออกไปข้างนอกกําหนดอยู่กับปลมหายใจเข้าออกให้พิจารณาอะไรก็เห็นเสียงเข้ามาก็ไม่ส่งไปตามเสียงหูได้ยินอะไรมาไม่ส่งไปตามที่ได้ยินถึงเดินยังกลมเราก็ไม่ได้ส่งกระแสไปตามที่ตาเราเห็นเราดูใจของเราอยู่ตลอดว่าใจเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราอุปจารสมาธินะ แต่อปนาสมาธิน่้เดินไม่ได้เมื่อจิตสงบขณะก็เดินเออมันจะขามันจะชิดเข้ามาโดยอัตโนมัติเออมันจะนิ่งหยุดอยุดนิ่งแหละโดยอัตโนมัติแต่นานจะเป็นจิตจะสงบได้ในขณะที่เดินนะเออขณะที่เดินจิตจะสงบได้เนะยากแต่เมื่อมันสงบแล้วจึงเป็นจิตที่สงบที่ละเอียดนิ่งมากขณะที่จิตสงบขณะที่เดินนะ แต่มันจะหยุดก้าวโดวยอัตโนมัติของมันหยุดปดจับอยู่นิ่งเลยจิติกับกจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้ได้จากนั้นก็ถอนรู้ได้ว่าเอออนนิจิตของเราสงบไม่ต้องถามใครจิตที่มันรวมเป็นถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองธรรมะเป็นปัจจตังเลยว่างั้นเถอะเชื่อมั่นเลยถ้าถามครูบาอาจารย์ก็ดี ถามใครก็ตามถามเพียงแต่ว่าถามอย่างเชิงเทนั้นเองแต่ว่ารถเป็นยังไงนั้นเรารู้แก่ใจของเราว่านี่คือสมาธิไม่เป็นอย่างอื่นในใจของเรามันมันเชื่อขนาดนั้นเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพยายามฝึกขัดพยายามฝึกจิตฝึกใจขณะที่มาปฏิบัตินี่ผมไม่อยากจะให้คว้าหน้าขว้าหลัง อ, องค์นั้นพูดอย่างนี้องค์นี้พูดอย่างนั้นเอาไว้ก่อดครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษามาเป็นพูดอย่างนั้นพูดนี้เอาไว้ก่อนในเมื่อมาอยู่ที่วัดของผมเดือนกว่าเนี่ยคงจะไม่เสียหายอะไรมากที่ผมแนะนําก็คืออยู่ในสติปัฏฐานสี่ของพระพุทธเจ้าอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วกล่าวเบื้องต้นแล้วไม่หนีออกจากกรอบสติปัฏฐานสี่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าว่าพวกเราเอาสติ จับลมหายใจเข้าหายใจออกยังไม่เห็นยังจับไม่ทันจะไปจับจิตที่มากระทบหรือว่าอารมณ์ที่มากระทบใจจะไปจับจุดนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจนรู้แจ้งหรือว่าเห็นจริงเห็นอารมณ์ของตอนเองผมยังมองไม่เห็นเงื่อนเลยที่จะเป็นอย่างนั้นได้แต่ขนาดลมหายใจเข้าออกพอจับไปหน่อยก็ยังเผลอไผลไปที่อื่นพอจับเข้ามาก็เผลอไปที่อื่น แล้วจะไปจับจิตแนวความคิดที่มันคิดปรุงให้มันอยู่รู้ขณะจิตจิตที่มันคิดนั้นผมยังมองไม่เห็นถ้าว่าพวกเราทํามีแต่คว้าหน้าคว้าหลังคว้าไปคว้ามาตะคุบเงาตัวเองตะคุบผิดตะคุบถูกว่างั้นเถอะมันไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ตัวเองยังตะคุบเล่นอยู่อย่างนั้นะเพื่ออะไรเพราะว่าสติของเรามันอ่อนสติของเราไม่แข็งแต่ถ้าสติแข็งแล้วรู้ขนาดลมหายใจเข้าออกจับได้ แล้วก็จะจับจิตตัวเองได้จับความรู้สึกของตนเองได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าเป็นอย่างนั้นได้แล้วผมเชื่อมัน่นแต่ถ้าว่าจับจิตตัวเองยังไม่ได้เราจะบริกรรมอย่างอื่นจะทำอย่างอื่นดูใจของตัวเองอยู่ในทรมานุ ป, ปัฒนาหรือประจิตตานุ ป, ปัสนาให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้นั้นผมยังมองไม่เห็นขนาด กายานุปัสนาสติปัฏ ฐ, ฐานกับเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาก็คือความสวยสวยก็คือความรับรู้รับทราบในการเจ็บป่วยโดยการเจ็บปวดอย่างปวดแข้งปวดขาอย่างนี้นเราก็รู้ว่าเวทนาหรือเราใจของเราไปรับรู้ในสิ่งต่างๆเข้ามาแล้เวเป็นทุกข์ทราบข่าวว่าพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายาย ใครเก็บใครได้ป่วยหรือว่าการศึกษาของเราตกตำ่ำสอบตกอย่างนี้นเราเป็นทุกข์อย่างนี้นอ้ น, นี้ว่าทุกเขเวทนาทางจิตเวทนามันเป็นทุ ก, ทกเขเวทนาใจของเราไปรับรู้รับทราบในสิ่งที่ไม่สมประสงค์ใจของเราทุกข์นะว่าทุกเขเวทนาทางจิตทุกขเวทนาทางกายก็คือหิวกระหายร้อนหนาวอย่างนี้เป็นตน้นไอันนี้ก็คือเวทนาของกายเวทนาของจิตก็คือ ความทุกที่เขามาสู่ใจอันนี้เลยเวท น, า น, ปปน า, านุปัสนาสติปัฏฐานให้รู้ทั้งสองเงื่อนทั้งกายด้วย ท, ทั้งกายด้วยทั้งจิต ด, ด้วยกา ย, ยานุ ป, ปัจนาสติปัฏฐานก็อย่างที่วาดกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้เห็นกายหรือพวกเราจะนับเป็นตัวเลขก็ได้นะนับเป็นตัวเลขก็ได้จะทํายังไงจึงจะให้จิตสงบก็อย่างที่ผมวาน แมวสีอะไรก็ได้ถ้าจับหนูได้ก็แปลว่าใช่ได้อันนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานใดก็ตามถ้าจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แปลว่ากรรมฐานนั้นใช้ได้ให้กรรมฐานนั้นถูกกับจริตของเราเรากระนากรรมฐานนั้นนํามาปฏิบัติสมมุติอย่างที่เรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ตามปกีิลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นมี2เท่านั้นเองแต่เราพยายาม กำหนดลมหายใจเข้า 1. หายใจออกสองหายใจเข้า3หายใจออก4ี่หายใจเข้าห้าหายใจออก6หายใจเข้า7ดหายใจออก8คือเรานับแต่เราจะไปแต่งลมเพียงแต่เวลาหายใจเข้าเราก็นับ1หายใจออกนับนับสองแล้วทีนี้เมื่อขณะนับนับนับนับไปจนถึงร้อยเราไม่เผลอ แปลว่าสติของเราเริ่มเริ่มละเริ่มจะดีละแต่ถ้าวันเรานับไปมันเผล่นะสแสดงว่าสติของเราขาดมันเผลอมันเผลอได้ยังไงเราเห็นได้ชัดนะมันเผลอมันจะเบอร์เบอร์พเบอร์เสร็จแล้วหายใจเข้าเออสองหายใจออกสามอ้สมบัตหายใจเข้าสิบสี่หายใจออกสิบห้าหายใจเข้าสิบหกหายใจออก 17. สิบ็ดแสดงว่ามันผิดหละมันผิดยังไง คือหายใจเข้านเป็นเลขขี้หนึ่งใช่ไหมหายใจออกเป็นเลขสองหายใจเข้าสามเป็นเลขขี่หายใจออกเป็นสี่คู่อีกหายใจเข้าเป็นห้าเป็นเลขขี่หายใจออกเป็นหเป็นเลขคู่นะแต่ถ้าว่าเรานับไปแล้วมันเบอร์แล้วจะนี่หายใจเข้าสามสิบสองหายใจออกสามสิบสามเนี่ยแสดงว่าเราเผลอไปแล้วอ่เผลอไปแล้วหายใจเข้านั้นเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี่สลับกันแล้ว เอาตั้งใหม่นะตั้งใหม่ถ้าว่าตั้งใหม่แล้วมันได้หรอมันไม่เผล่นะถึงร้อยนับถึงร้อยรับ ว, ว่ากิตของเราอยู่กับตัวละหนึ่งนาทีแหมมันไม่เผลอละหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีกว่ากนับถึงร้อยนะนับอีกคือครั้งที่สองอีกนะพอนับสักสามสี่ห้ากเจ็ดแปดครั้งเก้าครั้งสิบครั้งจะนั่งกรหยุดเลยบริกรรมพุทโธตามปกติ ตัวองดูสิวิธีนี้เป็นยังไงเราจะรู้ได้วิธีเพามันจะจิตของเรามันจะเคลื่อนคลาดไปตรงไหนอันนี้ก็คือวิธีการวิธีหนึ่งที่พวกเราจะทําจิตให้สงบนะอจากนั้นของบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างที่ผมว่านั่นน่ะนี่แหละอยากจะให้พวกเราปฏิบัติอย่างที่ผมได้กล่าวนี่แหละผมแนะนำํำนี่แหละเพราะง้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะ เขามาบวชทั้งทีอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาปฏิบัติให้รู้รสของพระธรรมคือสมาธิธรรมจิตให้สงบให้เป็นหนึ่งให้ได้สักครั้งหนึ่งผมว่าพวกเราก็คงจะจำไม่ลืมผลแห่งการสงบนี่นะนัตถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่ยงกว่าความสงบไม่มีพวกเราก็จะภาคภูมิใจ ไม่ใช่น้อยแล้วก็เป็นบุญกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยที่ทําจิตให้สงบครั้งหนึ่งมันฝังลึกนะการปฏิบัติจิตตภาวนาเนี่ยเป็นการฝังลึกไม่เหมือนการเรียนการเรียนพอศึกษารู้แล้วจากนั้นก็เลือนลางไปลืมไปได้ง่ายแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยจิตใจเข้าสู่ความสงบแน่หนึ่งแน่วลงไปแล้ว่ยจนถึงอัปปนาสมาธิแล้วนั่นแหละผม เชื่อมั่นแลวเกินว่าพวกเราจะรู้รสของพระธรรมมั่นใจเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยจะถอนไม่ขึ้นก็ใช่เพราะว่าเชื่อในการปฏิบัติคือพระธรรมธรรสอนของพระรรพุทธเจ้าเป็นที่ท่านชี้แนะชี้นำให้พวกเราได้รับความสงบพรมเย็นเป็นถูกทางจิตใจนะะวันนี้ผมขอพู ด, เ, ดเพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้ไปก็เปิดเทปองหลวงตาให้พวกเราได้ฟัง สักอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคอยเลิกกันเอานัง<ม>่งสมาธิเลยที่นี่นะนั่งกันสมาธิและ